อย่าเชื่อตรร ก, กะนะคิดด้วยเหตุด้วยผลนะเชื่อไม่ได้เราฟังเลคเชอร์นะเราตอบเหมือนอาจารย์สั่งมาเราได้คะแนนพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่ออาจารย์ อ, นนน อ, อันนั้ก็ไม่ให้เชื่อนะี่ก็ไม่ให้เชื่อนะแต่ให้เข้าไปทดลองเข้าไปทดลองด้วยตัวเองนวิธีเรียนของศาสนาพุทธเลยเรียนด้วยกันเข้าไปดูของจริงว่าของจริงเป็นยังไงอันนี้ของจริงที่จะดูนะก็คือกายกับใจวิธีดูจะดูยังไงนะ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 อย่างพอมันโกรธพุง่งปุ๊บมาไม่บอกนะว่าพุ่งจากไหนให้ไปดูเอาเองพอมพุ่งขึ้นมาน้าสติะระลึกรู้มันจะสลายตัวไปถ้ารู้ไม่ทันนีมันขึ้นหัวนะอขึ้นหน้าเลยเรียกเลือดขึ้นหน้าราคาละเวล า, เวลาเกิดเกิดที่ไหนโมหะเกิดตรงไหนแม็กิเลศอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดไม่รู้สักอย่างลยถั่วจริงจริงไ <laughs> ม่เอาไหนเลยะ เรียนนะลองเรียนดูค่อยๆสังเกตดูคนไหนโมโหบ่อยนะเอาโทสะเป็นวิหารธรรมรู้บ่อยๆโกโรธขึ้นมารู้โกโรธขึ้นมารู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็รู้ละคนไหนขี้โลบนะดูไปใจมีความอยากก็รู้ใจอยากก็รู้ตอนอยังดูไม่เป็นมันก็ต้องอยากแรงๆก่อนเช่นอยากได้รถยนต์คันใหม่อยากได้สามีคนใหม่อยากได้ภรรยาคนใหม่อะไรเงี้ยนะต้องอยากแรงๆก่อนถึงเห็น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 ค, ค่อยดูงั้นคนไหนขี้รอบก็ดูไปต่อไปนะใจอยากขึ้นนิดนึงก็เห็นแล้วความอยากผุดขึ้นมานิดนึงก็เห็นแล้วความอยากก็เกิดที่ใจนั่นแหละแต่อาศัยช่องทางช่องทางหช่องทางอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็อยากดูใช่ไหมที่อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจ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 ถ้าไปเคยโลภแรงๆนะอยากเปลี่ยนสามีอยากเปลี่ยนพันยาอะไรเงี้ยถึงจะเห็นต่อมาเนี่ยใจแค่อยากปฏิบัติก็เห็นละอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะถ้ารู้ไม่ทันก็ผิดนะถ้ารู้ทันจะใช้ได้ได้แต้มได้คะแนนนั่นหลักของการปฏิบัตินะให้มีสติสติเนี่ยเกิดจากจิตจับสภาวะแม่นหัดดูสภาวะไปเรื่อยสติยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, นอารมณ์เบาๆสติก็เห็นละแวบก็เห็นลว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 หลังกรวดจะแสดงความไม่พอใจออกมานะไม่ปิดบงังคนจีนอาจจะวากแชงแฉงแชงรู้ขึ้นเต้นงิ้วเลยก็ได้นะนะแต่ว่าอาการต่างกันแต่ความรู้สึกกรวดนั้นเหมือนกันนั้นความรู้สึกกรวดมันเป็นของจริงเรียกว่าอารมณ์ปรมาณันะส่วนบัญญตัติไม่เหมือนกันอย่างกริยาท่าทางอะไรอย่างีนะ้แต่ละชาติแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน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 เดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็ไหวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนในร่างกายส่วนต่างๆนะนี่เคลื่อนไหวเปลี่นลยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นธาตุกรรมฐานะนะดูความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะความแข็งความอ่อนนะดูความร้อนความเย็นดูธาตุธาตุกรรมฐานพุทธคัมจริงของกายก็เป็นก้อนธาตุเนะนี่ยเฝ้าดูลงไปนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจัง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 Стати, นี่เราไปสําคัญม่นหมายนี่เป็นตัวเรานี่เป็นคนนี่เป็นผู้หญิง Stone. นี่เป็นผู้ชายนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาจริงๆเป็นอะไรเป็นขี้ฝุ่นนะเป็นเศษธุลีของจักรวาลไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยเป็นขี้ผงแหละตอนนี้เป็นขนี้ผงอีกหน่อยก็เป็นขี้ผงเพราะจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรครับเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาโดยชั่วครั้งชั่วคราวนะอาศัยสัญญาอาศัยใจบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมา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 อย่างใจเราสบายสบายอยู่เห็นหน้าคนนี้ปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นเลยเห็นไหมใจที่สบายสบายเดิมไม่มีอะไรสบายสบายอยู่เห็นไหมอยู่ๆเกิดความโกรธขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงละนี่อนิจจังมีความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความโกรธดับวับไปเห็นไหมเป็นอนิจจังมันไม่คงที่เลยทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรากฏการที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่ตาเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปรากฏการทั้งหลายนะสังเกตไหมสภาวะอันแต่อันหนึ่งทนอยู่ได้ไม่นานหรอกหลวงพ่อเคยถามนะว่าใครเคยกโกรธนานนานบ้างมีเด็กสาวคนนึงบอกหนูกโกรธเป็นปีๆเลยนะบอกหลวงพ่อมานานแล้วหลวงพ่อชักลืมแล้วว่ากี่ปีแล้วก็เอาเป็นปีๆก็แล้วกันนะแต่นานเป็นปีเลยทําไมโกรธบอกอกหักไอ้หนุ่มมันหลอกนะบอกหนูกโกรธตลอดเลยนะ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 โกรทุกโกรดร้อนแล้วเริ่มคิดใหม่คิดใหม่หน้อยมื อ, ห, กอก <c oughs> <c oughs> ห่างอกกูเห็นไหมโกรธขึ้นมาใหม่ ล, ละดังั้นกระทั่งความโกรธนะเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ได้ไม่นานหรอกสิ่งทั้งหลายอยู่ทนอยู่ไม่ได้นานนะเรียกว่าทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทาไมมันถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างโทสนะนั้นมีเหตุตัวหนึ่งนะมีเหตุหลายตัวนะมีปัจจัยหลายตัวตัวหนึ่งก็คือเราต้องคิดในทางที่ไม่ดี ต้องมีพยาบาทวิตกคิดในทางไม่ดีโทสะถึงจะเกิดตอนตรวจท้องอยาเข้าห้องน้ําใช่ไหมลืมคิดถึงไอ้หนุ่มคนนี้พยาบาทวิตกหายไปโทสะดับไม่ใช่กูเก่งนะแต่เหตุมันดับโทสะถึงดับหรืออย่างเราโกรธใครสักคนอยู่นะพอเราเห็นว่าจิตโกรธทําไมความโกรธ ด, ดับเพราะเหตุของมันดับนะไม่ใช่เพราะกูเก่งในขณะที่เรารู้ว่าโกรธเนี่ยขณะนั้นไม่ได้คิด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 มีความสุขอยู่สมเดือนแล้วก็ยังมีความสุขอยู่ยงั้นน่ะสมเดือนนี้เที่ยงดูภาวนาไปแล้วมีแต่ความสุขทุกวันมีความสุขความสุขเที่ยงแทนที่จะเห็นทุกก็เห็นสุขนะแทนที่จะเห็นไม่เที่ยงก็เห็นม่าเที่ยงรู้สึกว่ากูเก่งด้วยกูปฏิบัติดีนะจิตกูดีทุกวันเลยจิตกูสบายทุกวันเลยนี่เป็นอัตตานะั่นไม่ใช่อนัตตานั้นถ้าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นใจรักนะยิ่งกลับหัวกลับหางกระไตรักแล้วก็ผิดแน่นอน งั้นอย่างพวกเราหัดดูจิตดูใจไปช่วงหนึ่งระวังให้ดีมันจะเกิดวิปัสณสูปกิเลสแต่ไม่ใช่ดูจิตแล้วมีวิปัสณสูข้างเดียวนะทําวิปัสสนานะถ้าไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตนั้นถ้าดูถูกต้องแนละ้วมันก็เกิดวิปัสสณูแน่นอนนะนีไม่พ้นหรอกนะงั้นถ้าดูจิตในวิปัสณูที่นิยมเกิดนะก็คือความว่างใจอย่าไปโล่งไปว่างนะสว่างสบายโล่งว่างนะใจมันเคลื่อนเคลื่อนออกไปมองไม่เห็นว่าใจเคลื่อนออกไป ไปติดอยู่ในความโล่งความว่างสามเดือนแล้วก็ยังสบายอยู่นันเป็นปีปีก็อยู่ได้อยู่ตรงนี้เป็นปีก็อยู่ได้ถ้ารู้ไม่ทันว่าจิตหลงไปแล้วหลงไปอยู่ในความว่างๆความโล่งๆความสว่างนี่เป็นมิปัจจุบัชื่อโอภาษคนดูจิตจะมาตัวนี้เยอะเพราะว่าโอภาษเนี่ยเป็นอรูปไม่มีรูปร่างอะไรดูยากสบายไม่มีอะไรให้หมายให้สังเกตง่าย เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะสบายมาสเดือนแล้หรือสบายมาอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ใช่หรอกจิตต้องไปติดไปคล้องไปหลงอยู่กับอะไรสักอย่างนะค่อยๆสังเกตก็จะรู้อ๋อจิตมันเคลื่อนไปเกาะความว่างอยู่เราก็จะหลุดออกมาจากมิปั ส, สนูตัวนี้หรือภาวนานะเกิดแตกฉานนึกถึงธรรมะนะรู้หมดเลยธรรมะอะไรๆก็รู้หมดเลยนะแตกฉานเกิดปัญญามากมายหลวงพ่อเคยเป็น ภาวนานะจิตรวมปุ๊บดวงสว่างขึ้นมานะเรานึกถึงธรรมะนะไล่ตั้งแต่หมวดหนึ่งนะจนหมวดตั้งเท่าไหร่เทนะ่าไหร่นะไล่ไปได้เยอะแยะไปแล้วธรรมะแต่และตัวเนี่ยลิงก์กันหมดเลยโอ้โหทาไมความรู้เยอะอย่างนี้นะอศัศจรรย์ในธรรมะนะพยายามจําไม่ใหญ่เลยอจดไม่ทันนะพยายามจาไม่กี่วันนะเหมือนคนบ้าเลยใจนี่หนักอึดเลยนะไปไหนก็เหมือนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยให้นะเราภาวนาผิดและนะภาวนาผิดแล้วนะ ทำไมใจก็หนักอยู่งั้นนะไม่มีเบาเลยมีแต่หนักอย่างเดียวเลยนี่ทำไมคงที่ละนะเห็นคงที่นะเห็นอะไรคงที่มีเชื่อมันนะไม่มีจริงหรอกของปลอมต้องไปติดเลยสักอย่างลนะถ้าเห็นคงที่นะนี่เราดูไปต้องเห็นตรงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ความจริงแล้วทำยังไงจะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ได้มีเงื่อนไขคือสัมมาสมาธิ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 ไนะหลไปไหลามาตลอดเลยแล้วเวลาตั้งก็ตั้งแบบบังคับเอาไว้ไม่ได้ตั้งเองนะตั้งแบบเครียดเครียดแข็งแข็งนี่ให้ตั้งสามวันก็ได้เพราะชนานาญมากเลยเรื่องไม่เอาไหนเนี่ยนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะต้องมีลักษณะสำคัญนะต้องมีความเบาถ้าตั้งแล้วหนักเนี่ยไม่ใช่หรอกจิตที่ตั้งมั่นต้องมีความนุ่มนวล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 จะปราดเปรียวจะปราดเปรียวจะว่องไวนะความปราดเปรียวความว่องไวเรียกว่าป่าขุณตาว่องไวจิต ท, ที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างศักว่ารู้ไดนะ้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่ อ, อรู้อย่างซื่อตรงซื่อตรงในการรู้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 เพีงเฉพาะยอดนะอย่าดูหน้าท่านนะดูเฉพาะตรงปลายแหลมแหลมข้างบนนันดูออกไม้จิตเราไหลไปอยู่ที่ยอดพระที่พระเกศนะนั้นเวลาที่เราไปเพ่งไปจ้องอะไรนะจิตเราจะไหลไปเราจะหลงไปจิตเราไม่ตั้งมั่นนะแต่จิตเราไปแช่ไปแช่นิ่งๆอยู่ที่พระเกศพระเฉะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ไหลไปเห็นพระเกศพระนะแต่จิตก็สักว่าเห็นจิตไม่ไหลไปนะแต่โดยไม่ได้ปลัองไว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 แต่รู้แล้วอย่าไปแทกแทงนะรู้เฉยๆรู้ว่าจิตไหลไปทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาใจมันจะตั้งแป บ, บเดียวตั้งชั่วขณะจิตที่ตั้งมั่นชั่วขณะอย่างนี้เป็นสัมมาสมาธิชนิดหนึ่งนะเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิมันตั้งขึ้นชั่วขณะเป็นคณิกะคือขณะนะตั้งเป็นขณะขณะแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับทําวิปัสสนาไม่ต้องตั้งเป็นวันๆเนาะ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 ห้ามดึงคืนถ้าดึงคืนจะแน่นอีกจิตที่แน่นๆเป็นอากูสนละจิตนะจิตที่เป็นกูศนเนี่ยจะเบาจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์คลำงำซื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่ลักษณะของจิตที่เป็นกูศลงั้นจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเป็นอากูศลนะงั้นเราไม่เอาเนี่ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นวิธีให้จิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วอย่าดึงคืนมา ร, รู้ว่าไหลไปแล้วมันจะตั้งขึ้นเองทีละนิด ท, ทีละนิดสะสมไปเรืนะ่อตั้งทีละแว็บแหละแต่อยู่ได้บ่อยๆ <_ mauv> เกิดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆยิ่งรู้ว่าหลงบ่อยนะจิตยิ่งตั้งมั่นบ่อยรู้ว่าหลงครั้งหนึ่งจิตจตั้งมั่นทีหนึ่ ง, งรู้ว่าหลงครั้งหนึ่งจิตตั้งมั่นทีหนึ่งเนี่ยค่อยฝึกนะมีสมการนะสมการความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับหลงลบหนะึ่งความรู้สึกตัว ไปคิดแก้เอาเองก็ร่างขี้เกียจเฉลยสอนเลยก็ต้องเฉลยหมดเราไม่ใช่ติวเตอร์หน้าราำ <c oughs> จิตตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอเงื่อนไขตัวสุดท้ายนะอันแรกก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตัวสุดท้ายคือและเป็นกลางนะแต่เป็นกลางก็คือเวลาที่สภาวะใดๆเกิดขึ้นพอจิตไปรู้แล้วเนี่ย จิตมันยินดีบ้างยินรายบ้างห้ามมันไม่ได้ถ้ามันยินดียินรายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันลงไปจิตยินดีแล้วรู้ทันจิตยินร้ายแล้วรู้ทันนะเช่นเห็นหลวงพ่อปุ๊บยินดีนะยินดีขึ้นมารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันมันจะเปลี่ยนเป็นราคะนะหลวงพ่อไม่ยอมให้รู้สิษย์มีราคะกับหลวงพ่อพวกเราจริงๆไปหาครูบาอาจารยนะ์มีราคะกับครูบาอาจารย์นะคือรักท่านเป็นส่วนตัว รู้สึกเป็นผูกพันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่อาจารย์ของฉันนะมีนะบางคนหลวงพ่อเห็นมานานแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์บางคนไปหาหลวงปู่เทศนะ้นเริ่มน้ําตาไหลติ้งติ้งติงทำไมไม่มีสติมีได้เรื่องนะเราะนั้นเราต้องมีสตินะเฉนั้นจิตมันถูกความยินดีครอบงําให้รู้ทันจิตมันถูกความยินร้ายครอบงําให้รู้ทันนะเฉะนั้นให้รู้ทันไป ความจริงจิตเป็นกลางเนี่ยมี3มรูปแบบสมระดับอันนึงเป็นกลางเพราะการเพ่งเอาไว้เพราะการกด es, ううการข่มเช่นเห็นหน้าคนนี้เกลียดมันนะพุโทโธพทโธพทโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธแล้ววุ้ยสุดท้ายข่มไม่หยกไม่อยู่นะข่มไว้ก็เป็นกลางได้แต่ใช้ไม่ได้จริงนะข่มไว้หมดแรงข่มเมื่อไหร่ระเบิดเปรี่ยงเลยนะอันที่สองเป็นกลางเพราะมีสติ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 คราวนี้เราก็จะรู้เสียงนั้นด้วยความไม่ยินดียินร้ายนะไม่ได้ห้ามยินดียินร้ายนะไม่ได้บังคับนะถ้าบังคับจะเข้าข้อที่1กดเอาไว้ข่มเอาไว้เราไม่ได้บังคับแต่เรามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดีร้ายดับเองนะอันนี้อันที่สองฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปพอยินดีขึ้นมาก็รู้ยินร้ายขึ้นมาก็รู้ยินดียินร้ายตามหลังการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้คิดขึ้นมาก็ยินดียินร้ายได้ก็รู้ทันความยินดียินร้าย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 จิตหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนนี่แหละคือประตูที่จะก้าวสู่มรรคผลในขณะต่อไปนะสักว่ารู้สักว่าเห็นที่เราชอบพูดว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเราไม่มีหรอกจนกว่าปัญญาเราแก่รอบจริงๆนะสังขารูปเบกขาจานเกิดแล้วนะถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหรอกพูดแต่ปากหรอกใจไม่เป็นนะ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 นิมนต์ท่านอาจารย์ถ้ายัางไม่กลับก็ไปกินข้าวนะ